พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมพระคุณบิดามารดาพ่อแม่ครูอาจารย์ เคยพูดเรื่องสองผ้าป่าเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยแจกซองผ้าป่าเท่าไหร่มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีสมภารซอบก่อสร้างในหมู่บ้านเดียวนะเดี๋ยวขายข้าวโพดกับผ้าป่าขายข้าวกับผ้าป่าขายมันสําปะหลังกับข้าวป่าจีบยางแต่ละครั้งกับผ้าป่าหลวงตานี่ชอบแจกซองผ้าป่าตลอดในหมู่บ้าน แต่ยายหนึ่งเป็นยายคนขี้เหนียวต่คนรวยกว่าเพื่อนรวยกว่าเพื่อนในหมู่บ้านะพอเห็นซองผ้าป่ามันโอไ้ไม่พอใจอย่างนั้นแต่ก็ให้อยู่เพราะว่าชาวบ้านเขาให้ก็กกต้องให้ใสมพานเดี๋ยวก็สร้างศาลาเดี๋ยวก็สร้างหอระฆังเดี๋ยวก็สร้างกำแพงเดี๋ยว ก, ก็กำแพงกำแพงแก้ว ไม่รู้จักจบว่าไงสมพานเพราะนั้นจะมีทอดผ้าป่าอยู่เรื่อยมีซองผ้าป่าอยู่ประจำนาทายกเนี่ยก็ต้องมีผ้าป่าจะได้กระจาชาวบ้านอยู่เรื่อยพวดรสุดยายนั้นก็เลยตายแต่คนรวยกว่าเพื่อนในหมู่บ้านพอตายไปแล้วก็ไม่ไปไหนในวิญญาณเขามาสิงลูกหลานอยู่ในบ้าน นั่นอยู่นั่นอันนี้อยู่นี่เข้ามาสิงอยู่เลยวันหนึ่งทายกก็เลยนี่แหละเอาซองผ้าป่าไปเลยพอยายกำลังเข้าสิงเข้าสิงลูกหลานอยู่พอยายเหลือไปเห็นซองผ้าป่าท่นนั้นน่ะผีที่เข้าสิงเหมือนกันน่ะพอเหลือไปเห็นซองอันนั้นอะไรทายยกเลยว่าซองผ้าป่า ฆ่าเลยมันเกียดซองผ้าป่าจริงๆเหมือนกันฆ่านี้แล้วเน่ยผีตอนนั้นเลยไม่ต้องไล่ยากเหมือนกันเถอะพอเห็นซองผ้าป่าก็เลยผีก็เลยหนีออกจากบ้านไม่ทรงลูกหลานเลยเหมือนเดิมตีนี้ต่อมาพอยายแก่คนนั้นเข้าใครนียเขาจะถือทองผ้าป่ามานเลยเลยต้อง <c oughs> ถ้าถือซองผ้าป่าโอ้ยผีตะได้ผียายแก่ตอนั้น หนีซองผ้าป่าเลยกลัวกลัวซองผ้าป่าเพราะนะั้นหลวงพ่อมีนิทานเรื่องนี้อยู่หลวงพ่อก็เลยไม่ค่อยแจกช่องผ้าป่าเท่าไหร่ที่ควรเอามาให้นี่นะามาให้เป็นกระตักเลยตนะรงพ่อไม่ค่อยแจกนะแจกคุณหมอที่เป็นหัวหน้าคือผ้าป่านี่ยเป็นผ้าป่าสามคกี ดูแลพระสงฆ์หอพิบาลสง์หลวงปู่มั่นผูริทตโตปีหนึ่งก็จะมีการทอดครั้งหนึ่งหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานมูลนิธิอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนะครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อไปสร้างตึกสิบชั้นไปช่างสั้นสิบไม่ใช่ตึกสมเด็จญานี่ยนะสร้างเป็นสมุดสิบเก้าชั้นแต่ในชั้นที่สิบนะ่ะเป็นหอสง์ หอสงหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนื้อที่ทั้งหมดพันเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตรในฉะนนั้นพระสงฆ์เดี๋ยวนี้พระสงฆ์อาพาธมีอยู่สามสิบแปดเตียงแต่ถ้าว่าช่วงมากก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกประมาณทักยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยแต่ไม่เคยขาดจะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้า ป, ป่าครั้งหนึ่งอันคราวนี้ก็จะทอดวันที่สิบเจ็ มิถุนานที่จะถึงนี่แหละกนิมนท์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์นในภาคอีสานนี่ยหรือภาคไหนก็นิมนต์มามาแล้วก็จะไปตรวจสุขภาพก่อนระดับแรกตอนเช้าไปก็บมาให้ครูบาอาจารย์ อ, อกไหนที่จะตรวจที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะไปตรวจเลือดไปดูดเลือดมาให้ท่านฉันอาหารทานอาหารไม่ให้ดื่มน้ําลักษณอย่างนั้นเที่ยงคืนลักษณะท่านก็บอกมาอย่างนั้นก็ไปตรวจ พอดูดเลือดเสร็จแล้วก็เขาพวกพยาบาลพวกหมอก็ไปตรวจจากนั้นก็พระสงฆ์ก็มาสวดมนต์บิณฑบาตสวดฉันเช้าพอฉันซาเสร็จก็ทอดพระป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทบตึกสงฆ์อาพาธหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อเดือมากหลวงพ่อจะเป็นผู้พูดจับไม่อย่างงี้เอาั้นพระสงฆ์ก็มากเลย เป็นร้อยสองสาร้อยนะไม่ใช่มากไม่ใช่น้อยนะหลวงพ่อก็บอกว่านี่มูลคณะพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาเจ็บใครได้ป่วยถ้าผูวใดก็ตามเจ็บป่วยอยู่ทางโรงพยาบาลไหนก็ตามในชนบทโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดแต่ถ้าหมอเขาไม่ส่งมา ทางโรงพยาบาลเขาไม่ส่งมาเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ส่งง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นระบบของเขาจะส่งไปก็แปลว่าโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเงินให้โรงพยาบาลอื่นต้องแบ่งปันให้โรงพยาบาลอื่นเพราะนั้นเขาจะไม่ค่อยส่งในเมื่อพระสงฆ์เห็นว่าพระสงฆ์คูบาอาจารย์ในอาการไม่ดีขึ้นป่วยหนักอยากจะเข้ามาศีนขรินให้เข้ามาเลยไม่ต้องให้หมอส่ง ให้เอามาเข้ามาเลยเพอเข้ามาแล้วทางโรงพยาบาลทางหมอทางศีรษะคณินเนี่ยจะรับไว้แล้วก็จะรักษาส่วนกฎระเบียบยังไงที่จะเรียกต้นสังกัดยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอเพรา ะ, ะนั้นขอบอกให้ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์แ่นระพู ร, บ, รบชาเนื่อนที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่จากนั้นก็เรื่องที่พวกเราหาทุนในวันนี้ ทอดผ้าป่าแต่และปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ปีหนึ่งก็ทราบจากคณะแพทย์คณะหมอต่กอนก็ใช้เพียงปีละสองสามแสนต่อมาก็เห็นพระสงค์ขึ้นมามากก็ห้าหกแสนแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ประมาณล้านล้านหโดือล้านเจ็ดแสนและก็เงินที่เราใช้เนี่ยใช้ยังไงที่หมอใช้เนี่ยใช้ยังไงก็คือตามปกติพระก็ใช้บัตรทอง เรียกว่าบัตรผู้ป่วยสามสิบบาทแต่ว่ายาบางตัวราคามันเม็ดละห้าร้อยบาทอย่างนี่นยำมะเร็งเม็ดละห้าร้อยบาทเมื่ถ้าสามร้อยบาททางโรงพยาบาลเขาก็ให้เพียงสองร้อยบาทเราจะต้องใช้เงินทุนก้อนนี้แหละสมทบเข้าไปให้ได้ห้าร้อยบาทก็ได้ใช้ยาดีหรือว่ายานอกหรลูกายาที่ หมอต้องการหมอหมอที่รักษาไข้ต้องการก็ต้องได้ใช้เงินมูลนิธิก่อนนี้บางทีพระเข้ามาไม่มีฟันฟันไม่มีก็ต้องเอาพระไปทำฟันก็ต้องเอาเงินมูลนิธิจ่ายค่าฟันให้พระหรือว่าแว่นตาไม่มีพระที่ไม่มีแว่นตาแล้วก็นี่ยแหละจะได้ใช้เงินก่อนนี้ ว่าท้เงินก้อนนี้เป็นเงินเงินสำรองจ่ายที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะจ่ายได้ช่วงระหว่างล่างไตเนี้ยเราก็เ น, นี่ยใช้เงินก้อนนี้ได้แต่ล่างไตมันพั่มเพื่อนะจะ ต, ต้องไปใช้เงินมากเขาก็ถามหลวงพ่อเอทางหมอทางพยาบาลทางหมอประชุมกันเขาถามว่าหลวงพ่อจะให้พวกผมรักษาอย่างไงอย่างมะเร็งอย่างเนี้ยหรือว่าโรคไตยอย่างเนี้ย จะจะให้ทางโรงพยาบาลจะใช้เงินมูลนิธิขนาดไหนใช้จนหมดหรือว่าใช้อย่างไงห ร, รือว่าใช้ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะหลวงพ่อก็ให้ความเห็นว่าเนี่นะในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในหน้างานไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่หลวงพ่อให้ตามความเห็นของหลวงพ่อนะอย่าเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะ เพียงแต่หลวงพ่อให้แนวความคิดสมมติว่าพระยางน้อยหนุ่มล้างไตหลวงพ่อว่าเออก็น่าจะล้างให้ท่านเผื่อท่านจะได้หายแต่ถ้าว่าเจ็ดแปดสิบขึ้นไปแล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหาก็ท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านล้างเงินกองหมู่นิตินี่ก็เอาไว้ก่อนเว้นเสียท่านถ้าว่าท่านเป็น พระมหาเถระท่านก็ไม่น่าจะมีมีปัญหาเพราะลูกศิษย์ทุกหาท่านเยอะอยู่แล้วแต่สําหรับพระภูเท่าธรรมดาถ้าเกินไปหลวงพ่อกว่าทําไปก็เสียเงินและอีกอย่างหนึง่งสมมุติว่าเป็นมะเร็งถ้าเป็นขั้นที่สี่แล้วขั้นที่สามขึ้นไปแล้วก็ใช้แบบประคับประคองอย่าไปทุ่มอย่าไปใช้ยาเม็ดละแปดร้อยเม็ดละพันอย่างที่พวกเราเห็นทางว่าเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ในแล ระยะขั้นต้นเออเอ า, เ, อาเท่าไหร่ก็เท่ากันนะอันนี้คือหลวงพ่อให้ความเห็นแต่ส่วนพวกท่านจะปฏิบัติอย่างไรคณะแพทย์คณะหมอจะปฏิบัติอย่างไรกรสุดแท้แต่พวกท่านจะเห็นสมควรเพราะพวกท่านอยู่ในหน้างานหลวงพ่อมีแต่ให้แนวนโยบายเป็นแนวความคิดที่จะรักษาพระเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เงินมนูลที่จุดนี้ก็ ป่าเข้าไปอามสิบกว่าล้านเหมือนกันนะนะก็หลวงพ่อี่เทศใช้เอ็มพสส่งไปทุกหัวและแหงอย่างที่ว่ากับเงินเาขาก็โอนเข้ามานะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมมูลนิธิอออภิบาลสงหลวงปู่มันก็ปีหนึ่งใช้ประมาณล้านล้านล้านเจ็ด ก, กว่าปีที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่ ในวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี่นคงจะรู้ได้แล้วก็มีการทอดพระป่าปีละครั้งสําหรับดูแลพระเถระผู้ใหญ่ทางภาคอีสานไม่ใช่พระเถระผู้ใหญ่พระป่วยทั้งหมดะรรมุนิที่นี้คุ้มครองถึงชีด้วยนะถ้าชีป่วยก็คุ้มครองถึงชีด้วยเอาไปใช้ถ้าว่าชีมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้ก็ขอให้ทางโรงพยาบาลคุ้มครองชีด้วยและก็สัมเณรพระ ไม่ว่าพระนิกายไหนถ้าเข้ามาแล้วับให้เอาเงินก่อนนี้ใช้ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์หลวงพ่อก็ บ, บอก ก, อกว้างๆอย่างนั้นแ่ะแต่ที่ค่าใช้จ่ายก็เนี่ยแหละล้านกว่าบาทต่อปีประมาณล้านเจ็ดล้านแปดแต่ทอดปีที่แล้วเน่ยเกือบสามล้านเหมือนกันนะเรรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทายยาธาญาติโยมพระสงฆ์ไปช่วยกันมากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิพงพระสงฆ์พระสงฆ์หลงพ่อวัด ต, ต่างๆบางที่ก็น่ะลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของตนเองเวลาป่วยเข้าไปจะได้เอาไปนี่แหละส่งเข้าไปในศรีนครินฯอันนี้ก็คือทอดผ้าป่าที่หลงพ่อยื่นให้เมื่อกี้เ น, นี่ยนี่แหละผ้าป่าโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่สองโรงพยาบาลอุดรของเราทนี่โรงพยาบาลอุดร ของหลวงตาที่สร้างเสร็จเปิดเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่มั้งตึกสิบชั้นนะแล้วก็เตียงคนป่วยสองร้อยห้าสิบเตียงมะ้ตึกหลังนี้แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างวิพร้มทุกอย่างตึกที่ว่าเครื่องใช้ที่ว่าทันสมัยกว่าทุกทุกหลังแล้วก็ตึกหลังนี้ ใช้ชั้น8ชั้น9้าชั้น10บเป็นตึกสงฆ์แต่ชั้นเจลงมาตึกชั้นเจ็ดเป็นตึกของเป็นชั้นของชีแล้วก็ตึกผู้หญิงด้วยของชีประมาณสัก10เตียงมั้งกันไว้สําหรับแม่ชีผู้ปฏิบัติจากนั้นก็เป็นของชาวบ้านจากนั้นก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดแต่เมื่ออธิิตย์หลวงพ่อไปเยี่ยม น้องสาวขององค์หลวงตาที่อยู่ชั้นเจ็ดนะหลวงพ่อขึ้นไปโอ้รู้สึกว่าเต็มทุกชั้นนะฮะเต็มทุกชั้นแล้วคนป่วยรู้สึกว่ามากนะนี่แหละแต่นี่ก็ยังไม่มีก็ยังไม่ได้หลวงพ่อก็ได้พูดกับหลวงพ่อสุดใจอยู่ว่าเราจะตั้งเป็นทุนนิธิและมูลนิธิดูแลพระสงฆ์ไหมกับช่วยๆกันคิดนะคณะ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนพอหลวงพ่อเป็นหลวงปู่บุญมีเป็นประธานแต่ก่อนองค์หลวงตาเป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นองค์อุปธรรมหลวงพ่อเป็นเลขาสมัยเมื่อหลวงตา ย, ยงาังทรงทาาทรงขันอยู่แต่พอหลวงตาจากไปยกลงปู่บุญมีเป็นประธานมูลนิธิ เสียงธรรมเพื่อประชาชนหลวงพ่อเป็นรองเป็นรองประธานหลวงพ่อจุธม์ทเป็นรองประธานองค์ที่สองจากนั้นก็ท่านหลวงพ่อจุธใจเป็นเลขาเลขาโมนิธินี่แหละอันนี้ก็กองทุนกําลังทะลักเข้ามาอยู่สําหรับเสียงธรรมเสียงวิทยุของหลวงตาเพราะมีค่าเช่าค่า อ, อะไรมีวิทยุโทรทัศน์ของหลวงตา อันนี้ก็คือของโลงตาด้วยก็กำลังตดูแลพระสงฆ์เหมือนกันเพราะพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเสียงเหนือมากถ้าเราไปเห็นเวลางานมีงานประชุมเป็นพันๆหลายพันแน่นไปหมดแต่นี้ทุกองคมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ทั้งนั้นเพราะนันก็ได้เตรียมเตรียมโรงพยาบาลเอาไว้ตาไม่ยิงหลวงพ่อเอง โรงพยาบาลก็ดีโรงเรียนก็ดีหลวงพ่อได้ให้ความสนใจได้ให้ความช่วยเหลือทั้งสองอย่างคือทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลหลวงพ่อเนี่ยคนมาถามหลวงพ่อยกสองนิ้วเลยเรายกสองนิ้วคือบอกว่าช่วยทั้งโรงพยาบาลช่วยทั้งโรงเรียนถ้าเด็กนักเรียนคนในชาติขาดการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เด็กงโง่เง่าเด็กไม่ฉลาดชาติจะเจริญได้อย่างไรเพราะนั้นผู้ใหญ่พวกเราที่เกิดก่อนพอมีกําลังเราก็ควรจะสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยเป็นหลายสิบโรงเรียนแล้วนะสร้างโรงเรียนให้แก่ น, นักเรียนและก็พร้อมกันก็ซื้อเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลก็หลายหลายโรงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้น โรงพยาบาลใหญ่ไม่เหมือนลงตานะลงตารงพยาบาลอำเภอท่านก็ซื้อให้แต่หลวงพ่อไปเห็นนะโรงพยาบาลอำเภอซื้อให้แล้วมีแต่เอาผ้าคุมเอาไว้ไม่ได้ใช้เพราะหมอไม่มีศักยภาพหมอไม่กล้าผ่าตัด ไ, ได้มาแล้วก็ฝวงไว้ทิ้งไว้อย่างนั้นอนะ่ะเอาผ้าเพื่อติด ค, คุมไว้อย่างนั้นอนะ่ะเครื่องมือแพทย์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงซื้อเครื่องมือแพทย์โดยมาจะซื้อให้โรงพยาบาลใหญ่อย่างโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ยังไงเครื่องพาตัดอันนี้นะคือหลวงพ่อได้ช่วยทางโรงพยาบาลถ้าพวกลูกหลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะเออจะตุปปัจจัยหลวงพ่อเนี่ยได้มาจะใช้ไปยังไงมีเยอะแยะที่ทางจะใช้นะออวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชสองพัน ห้าร้อยห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกคณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านวันพรุ่งนี้พวกเราจะทํำยังไงให้วางแผนเอาไว้อืแต่ตามไม่จริงน่าจะวางแผนระยะยาวเอาไว้แต่เอาเถอะ หลวงพ่อพูดในวันนี้ขณะนี้ก็ให้พวกเราวางแผนว่าวันพรุ่งนี้เราจะรักษาศีลอุโบสถตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสำหรับพระสงฆ์วันพรุ่งนี้เราจะทำยังไงเราจะภาวนาเราจะอดนอนเราจะไม่นอนตลอดทั้งคืน เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราจะนั่งทั้งคืนเราจะเดินทั้งคืนเดินยมกลมภาวนาทั้งคืนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดเอาไว้ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือ น, ป, นปีผ่านไปผ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่ไม่สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ใส่ใจ ฝ่ในการประพฤติปฏิบัติวันสําคัญวันหนึ่งเราก็ควรจะสะดุ้งเรียว่าเตือนตัวเองสักครั้งหนึ่งเออวันนี้เป็นวันสําคัญนะวันปาคะบูชาวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวันเกิดของตนเองหรือวันเกิดพ่อแม่วันพ่อโุลต์ของเราเราควรจะทําตนอย่างไรให้เป็นคนดีสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งวันนี้ เราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้คือการเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็มีแต่มือดอกับแย่งไปเรื่อยๆมันไม่เห็นสำคัญอะไรแต่ถ้าเราให้ความสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายตัวที่คนให้ความสาคัญถ้าให้ความสาคัญ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจุดนั้นตรงนั้นเวลานั้นก็สำคัญเพราะเหตุว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้จัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเตือนหกเพนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นพศสอ5 5ห้าปี2555ห้าต่อไปกับปี2556หมันจะเลื่อนไปเรื่อย ปีห้าสิบห้าพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้มาสองพันกว่าปีเป็นวันสําคัญแล้วก็พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันสําคัญเช่นนี้จะรักษาศีลอย่างไงจะภาวนาอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยคารวาสอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะทําบุญทําทานอย่างน้อยก็ถ้าว่าไม่มี วัดวายศาสนาก็ควรจะไปกราบพ่อแม่ของตนเองพ่อแม่ของเอเนี่ยเป็นพระหันในครอบครัวพระหันของบุตรธิดาผู้ให้กําเนิดพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์เป็นผู้มีอุปกรณ์กว่าทุกคนเราจะไปมองข้ามพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามา ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรามาเราจะเจริญได้อย่างไรถ้าหาว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราจึงเป็นตัวตนขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราไปอยู่นสถานที่ใดถ้าเราไม่มีวัดวาศาสานาที่จะไปเราก็ไปกราบพ่อกราบแม่ไปแสดงความเคารพในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญกับพ่อแม่อย่างมากอย่าง ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดปาชเชตะวันท่านปารพถึงภาษาริบุตรเถระที่ให้ความเกื้อกูลหนุนพระราหุลให้ความช่วยเหลือพระราหุลคือพระพุทธเจ้าท่านเสด็จนี้เสด็จออกไปบวชพอไปบวชแล้วก็ได้สำเร็จ ได้ตัดสรุ้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ว่าจากนั้นท่านก็ประกาศพระพุทธศาสนากว้างขวา ง, วางไปโปรดพระบิดาคือพระเจ้าจุตโธธนะก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์จากนั้นพระองค์ก็ได้ปรินิพานจะว่าสวรรคตไม่ได้นะเพราะพระเจ้าจุตโทธทนะถึงจะเป็นท่านเป็นครวาสท่านไม่ได้บวชแต่ว่าจิตใจของท่านได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ยังเป็นโยมอยู่ อาจจะต้องว่าปรินิพานอย่างพระพาหิยะก็เหมือนกันถึงท่านจนะ่มรณภาพเป็นฆราวาสก็ท่านก็บอกว่าปรินิพานเหมือนกันเพราะใจของท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพอพระเจ้าจุทโฑธนะประรินิพานแล้วนางโคเตมีที่เป็นพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าเราท่านก็มาขอบวชตามพระองค์พระพุทธเจ้ามาบวชที่ เมืองเวสาลีอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างรลภรัตนะคือเป็นแนวทางให้รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงของพระพุทธองค์ก็พาบริวารทั้งห้าร้อยมาบวชต่ต่อมาน้องชายของพระพุทธเจ้านันทะก็บวชรูปนันทาก็บวชแต่นี้นางพิมพายโสธรานะพระวรชาญาของพระพุทธองค์นะแต่นี้พราหุ่นก็บวชเด็กลูกชายก็บวชนางเราจะอยู่ไปทําไม แล้วก็ควรจะบวชนางก็ได้เดินทางมากับบริวารมาบวชที่วัดป่ามาบวชที่กรุงสาวัตถีจะเป็นวัดสำนักชีสำนักภิกษุณีอีกส่วนหนึ่งแต่พอนางบวชแล้วนางก็เป็นนางภิกษุณีเป็นกษัตริ์บวชการเป็นอยู่กับกษัตริ์อยู่ในเวียงวังแต่ที่มาเป็นนักบวชเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นบิณฑบาตฉัน ตามมีตามเกิดเ น, นี่ยะกษัตริย์ท่านเสียชระยอมขนาดนั้นเพราะท่านมาปฏิบัติธรรมจากนั้นวันหนึ่งนางพิมพายโสธลาน่าพาดป่วยเป็นโรคจุกเสียในท้องคือปวดท้องปวดท้องแบบเบื่ออย่างแรงเทนิพ ร, ราหุนผู้เป็นลูกก็เข้าไปเยี่ยม วันนั้นครุฑุละเขาไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปคอยอยู่ที่ศาลาเพื่อจะให้แม่มาหาบอกว่าต้องการพบพระมานดาอทั้งภิกษุณีทั้งหลายเขาก็เลยมากราบเรียนท่านพระหุนว่าแม่อาลังป่วยอยู่เอลมเสียดในท้องแต่นี้พระหุนก็เดินเข้าไปคายโยแม่ฮับพระแม่เจ้าพอเข้าไป พ่อแม่ก็บอกเออลูกแม่ปวดท้องอย่างแรงแต่ถ้าว่าอยู่ในเวียงวังสมัยก่อนแม่ก็จะเดิมน้ำมะม่วงกับน้ําตาลกวดน้ำมะม่วงกับ น, น้ําตาลกวดผสมกันอาการอย่างนี้จะหายแต่บัดนี้เราเป็นนักพจนักบวชเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เราจะหาน้ำมะม่วงและน้ำาตาลกวดมาจากที่ไหนคือนางพิมพายโซทล า, าที่เป็นภิกษุณีพูดให้พระราหุนฟังพระลาหุนเป็นลูกชายก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปห า, าพระแม่เจ้าก็วบอกอย่าได้หนักใจนะลูกนะนัน่นแหะอันนี้ก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่าน ทนทุกขนาดนั้นถึงราดธาตุขนันแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกแต่ธาตุขันของท่านเนี่ยทุกจากนั้นพระราหูนก็เดินออกมาท่านเอ๊ะท่านจะไปหาใครคือทั้งที่พระสารีบุตรก็เป็นพระอุปชาของท่านพระราหูนนะแล้วก็พระโมกคลาก็เป็นพี่ชายใหญ่พระอานุ์ก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพระบิดา ท่านก็ไปหาภาษาลิบุตรไปยืนอยู่ภาษาลิบุตรมองเห็นเอ๊ะลาหุนทำไมมาอะไรวันนี้ผิดปกติพระหุนก็บอกว่าโยมแม่ไอคุณแม่ของกระผมเป็นโรคปวดท้องจุกเสียดแต่ถ้าว่าเป็นอยู่ในเวียงวังสมัยก่อนก็คงจะใช้น้ำมะม่วงกับน้ำตาลกรวดผสมกันแล้วก็ดื่มแล้วก็จะหาย แต่เท่านี้ไม่รู้ว่าจะหาน้ํำมะม่วงจากที่ไหนพระเจ้าข่าครับผมภาษาลิบุตเออไม่เป็นไรล่าหุ่เดียววันพรุ่งนี้พอสว่างเป็นวันใหม่ภาษาลิพุตก็เป็นผู้พานำนำสัมมาเนรล่าหุน่นเข้าไปในกรุงสวรรค์ทีเนี่ยพอไปถึงกรุงสวรรค์แล้วก็เดินเข้าไป ให้พระลาหุนอยู่ในที่พักแห่งหนึ่งที่โรงฉันแห่งหนึ่งท่านฉันใช่ไรมลาหุน่ส่วนพระสารีบุตรท่านก็ก็ไปในเวียงวังก็ไปในวังของพระเจ้าปเสนที่โกศลพอพระเจ้าปเสนที่โกศลเห็นพระสารีบุตรเข้ามาท่านบอกโอ้ขอในมนตษ์ขุนเจ้าท่านสาริบุตรเข้ามาเข้ามาในวังมีธุระอะไดเนะาะกระผม ภาษารบุตรก็ไม่พูดจากนั้นมันก็เป็นบุญของพนางพิมพ์พาเหมือนกันนะถ้าพิจารณ า, าดูแล้วก็มีพวกเอาน้ําผลมะม่วงมาจากอุทยานเอามะม่วงมาจากอุทยานพอมาถวายพระญาปัะสิ์สองใบพระญาประสิ์ก็ปอกเลยปอกมะม่วงพอปอกมาแล้วกข็ขยำขยําด้วยพระหัตถ์ของพระ อ, องค์เองฮขยําน้ํามะม่วงจากนั้นก็ กรองพอสมควรแล้วก็ถวายใส่บาตพระพระสารีบุตรไงพระสารีบุตรก็ให้ศีลให้พรจากนั้นพระสารีบุตรไม่ชันตามนั้นจริงในมณฑนท่านฉันแต่ท่านไม่ฉันถ้า ใ, ใสบาตแล้วก็ออกมาเลยรีบออกมาเลยเี่ยพระเจ้าประเสียนก็เห็นอากัปกิริยาของพระสารีบุตรเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทําไมท่านสารีบุตรพระเถระท่านทําไมจึงรีบท่านจึง อ, ออกไปอย่างนี้ไปดูซิ ท่านก็ให้คนในเวียงวังตามไปดูฮะพอตามไปดูกดภาษาริบูรก็มอบน้ำมะม่วงให้พระราหุลฮะพระราหุลก็ได้น้ำมะม่วงกดเดินอ้าวมาให้คุณแม่เลยยงั้นเถอะพอนางพิมพาญาโศทลาได้ดื่มน้ำมะม่วงกับน้ำตาลกวดอาการจุกเสียดในท้องของโยมันราก็หายไป พระเจ้าประเสนก็เห็นโ อ, อ้ท่านเป็นสุขุมราชชาตเาิเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงครองเป็นครวา่าพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะ เ, เป็นใหญ่ในแผ่นดินานางพิมพายโสธราก็จะได้เป็นนาง อากมเหสสีใหญ่ในแผ่นดินนางแก้วก็เหลือบไรอากรรมเฮสสีของพระเจ้าจากักรพรรดิมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งนะแล้วก็พระราหุลคงจะได้เป็นขุนพลใหญ่ในเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิขึ้นมาแต่บัดนี้ทั้งสามพระองค์พระพุทธเจ้าก็ดีพระราหุลก็ดี นางพิมพายโสธลาก็ดีได้ออกบวชนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรตวเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนางพิมพาก็ได้บวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พราหุนก็ได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนีท่านออกมาบวชแล้วท่านอยู่แบบนักพจนักปวดตั้งแต่นี้ไปเราปรยาปเสนเนี่ยท่านว่าเราจะดูแลเรื่อง น้ำมะม่วงเนี่ยที่ท่านต้องการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านไม่ให้ลืมพ่อไม่ให้ลืมแมนะ่ถึงท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ยังให้ล้ำลึกถึงพระคุณที่เป็นผู้มีอุปการคุณสำหรับองค์ท่านอย่างพระราหุลเนนะ่ยนะท่านไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะท่านให้ความสาคัญนะพมารดาของท่านอย่างสุดซึ้ง ถ้าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาแล้วเอออันนี้แหละคือบันฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งบิดามารดาของท่านหลวงพ่ออ่านดูแล้วพงพ่ออื่นซึงในความคิดของท่านเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงวันสำคัญอย่างที่วัวนมาฆะพิสาขบูชา เราต้องกราบน้อมล้ำลึกถึงพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีพร้อมกันก็นอย่าลืมบิดามารดาพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้มีอุปการะคุณที่เลี้ยงดูเรามาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับทุกๆคนให้ล้ำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณอย่างพ่อแม่ท่านให้กําเนิดเราเกิดมามีธาตุสี่ร่างกายสังขารทุกส่วนมาจากพ่อแม่ ตวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะทางด้านจิตใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนสิ่งนนะอย่างนั้นนะสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้นะอย่าทําความชั่วช้าเสียหายอย่างนี้นะให้เป็นคนดีนะให้เป็นพระดีๆนะอันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้แนวความคิดที่ดีสําหรับศิษย์เพราะนั้นเมื่อเราได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นลูกของพ่อของแม่เราก็ต้อง พ่อแม่ให้ร่างกายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแนะนําสั่งสอนให้พวกเราพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหะเป็นการให้ทำเป็นการให้อย่างสุดซึง้งให้อย่างลึกซึง้งให้อย่างดีที่สุดคือให้ธรรมะพนะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาก็ขอให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดี ทำดีพูดดีพวกเราจี่มีแต่ความสุขความเจริญน ะ, ะตอนนี้ไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พน